أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين اللهم ص ل و س ل م وبارك على نبينا م ح, ح م د وعلى آله وصحبه أشبعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا لنك إن أنت العلم الحكيم ربنا ظلمنا أنفسنا و إ ل م تغفر لنا وترحمنا เราจะนั่นนั้นจากผู้ที่รับนั่งเรียนรู้สูตรโน้พเป็นเรื่องราวที่ยังมีรายละเอียดน่าศึกษานะครับ อีกมากไม่ใช่เฉพาะในโซลช์นี้เท่านั้นแต่เรื่องราวของท่านน บ, บีนุฮนั้นยังมีในโซลช์อื่นอื่นอีกเยอะอัลลอฮ์นะครับเอาอยากจะให้พี่น้องถ้าหากว่าได้มีโอกาสนะครับลองตั้งความตั้งใจเอาไว้สักนิดหนึ่งว่าอยากจะเรียนรู้เรื่องราวต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบรรดารอซูลตั้งแต่ท่านนาบีอาดัม เ, เรื่อยมาจนถึงนบีนูแลนบีทุกๆคนนะครับที่มีเรื่องราวโดยเฉพาะเรื่องราวที่ปรากฏในคัมภีร์อัลกุรอานเวลาที่เราบอกว่าให้เราเรียนประวัติศาสตร์ของบรรดา น, นาบีเราจะเรียนที่ไหน เราจะเรียนจากตำราเล่มไหนแน่นอนว่าตำราเล่มแรกแหล่งข้อมูลลำดับแรกที่เราจะต้องให้ความสำคัญและก็ความสนใจในการที่จะเรียนรู้เรื่องเล่าต่างๆและแน่นอนว่าเป็นเรื่องที่ถูกต้องที่สุดก็คือที่มีปรากฏในคัมภีร์อัลกุรอาน เพราะนอกเหนือจากอัลกุรอานเนี่ยยังต้องเช็คดูก่อนดัมดับของมันก็คืออัลกุรอานลกิริมหลังจากนั้นก็ฮัดิสที่สุขภแล้ก็ัดิสที่รองลงมาที่ฮัสซันรายงานต่างๆที่รับได้ที่มักบูลอัลอร์อัลมักบูลอัลอฮัดิสอัลมักบูละ เท่านั้นนอกเหนือจากนั้นเนี่ยเรื่องราวประวัติศาสตร์เนี่ยมันจะมีเสริมแต่งเข้ามาเยอะนะเสริมแต่งเข้ามาเยอะไม่รู้มาจากไหนอาจจะมาจากอิสราเอลิอยยตอิสราเอลิอยยา ต, อาอยยาตก็คือเรื่องเล่าของบรรดาชาวอิสราเอลเพราะชาวอิสราเอลเนียย่ยก็จะมีการเล่าประวัติของบรรดานัลกพวกนี้ด้วยนะพวกเขา กล้าถึงขนาดว่าทำภาพยนต์หรือทำอาอาสารคดีที่แสดงให้เห็นภาพว่าสมัยนบีนุเป็นยังไงเรือนบีนุเป็นยังไงอะไรแบบนี้เป็นต้นซึ่งทั้งหมดนั้นเป็นการจินตนาการเราไม่มีใครรู้แน่ชัดนะครับ จุดประสงค์การเรียนเรื่องราวทางประวัติศาสตร์พวกนี้เราไม่ได้ต้องการที่จะเรียนรู้รายละเอียดแบบเซนต่อเซนมิลลิเมตรต่อมิลลิเมตรไม่ใช่ไม่ใช่ถึงต้องรู้กับว่าเรือนาวีนู้ยาวกี่เมตรนะกี่เมตรฝนตกกี่ลูกบาทเซนติเมตรไ ม, ไม่ต้องถึงขนาดคือเราไม่ได้จุดประสงค์ที่อลัลลอาหาซซ่าลลอลาให้ ให้เราเรียนเรื่องราวของบรรดานับีเนี่ยมันมีจุดประสงค์ของมันเราไม่ได้เรียนเรื่องเล่าพวกนี้เหมือนกับที่เราฟังคนเล่านิทานฟังเพื่อความบันเทิงไม่ใช่นะครับแต่เราเรียนอัละะลอฮแต่ลาสั่งให้เราเรียนเรื่องของบรรดาบรรพบุรุษอิสลามบรรดารอซูลกด็ดีเพื่อมันเป็นบทเรียนกับพวกเราเพื่อให้เราเรียนรู้ นะครับว่าคนสมัยก่อนเขาอดทนอย่างไรเขาเผชิญหน้ากับบททดสอบอย่างไรบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาต่อล่องสุบฮานตาละลาทำร้ายบรรดาโรซูลอย่างไรแล้วบรรดาโรซูลก็จัดการอย่างไรอย่างนี้เป็นต้นสุบอัลล์คนที่อ่านอลัลกุรอานแล้วก็ศึกษาอลัลกุรอานจริงๆเนี่ยเขาพบกับก็ เ, เรียกว่าเรื่องเล่าเป็นเศษหนึ่งส่วนสามของอลัลกุรอาน ละมาบางคนอธิบายว่าเนื้อหาในอัลกุรอานเนี่ยถ้าเราแบ่งรวมๆแล้วจะออกเป็นสาม ส, า ม, สามส่วนสมหมวดหลักหมวดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องอักินะรู้จักอัลลอฮ์รู้จักมาละอิกัดรู้จักหมวดที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อหมวดที่เกี่ยวข้องกับอัลอาขามอัลอาขามก็คือบทบัญญัติ การละหมาดการคำสั่งให้ละหมาดคําสั่งให้ถือศีลอดคําสั่งให้แต่งงานบทบัญญัติเกี่ยวกับการหย่าร้างบทบัญญัติเกี่ยวกับการซื้อขายเกี่ยวกับริบาเกี่ยวกับดอกเบีย้ยอันนี้คือส่วนที่สและส่วนที่าสาม ก, ก, ก็คือเรื่องเล่า al qisas หรือ al qasas al qasas ก็คือเรื่องเล่ากือเรื่องเลาที่เราถาเาพูดถึงนบีอาดัมกับอิบลีสเป็นยังไง เดี Allah yani Bang ah ni, ih, Sam, ๋ยวเาต่ละพูดถ ah. ah ึงนบีเห็นไหบางสุรนจะเอาชื่อของบรรดานับีมาตั้งเลยนำซ้ำมีอยู่สุรอกันหนึ่งที่ชื่อว่าอัลกซซเรื่องเล่ากัซซ์มาจากคาว่ากัซซ์สุร่าอัลกัซซนะพูดถึงเรื่องนบีมูซากับฟิรอาห์กับฮามานเห็นมัสมส่วนแสดงว่าไอเรื่องเล่าต่างๆเนี่ย มันต้องมีฮิคม a t บางอย่างที่อัลลอฮฺต้าลาต้องการให้เราเรียนรู้จักมันดังนั้นคนที่เป็นมุสลิมก็จะต้องเรียนอัลฮัมดุลิละเวลาที่เราอ่านอัลกุรอานเนี่ยมันไม่ได้มีแต่เรื่องเครียดบางทีถ้าเราเรียนแต่เรื่องอกดิดะห์อย่างเดียวสมมติหรือเรียนแต่เรื่องอัคกามฮุกกลมอย่างเดียวบางทีสมองเรามันแบบมันตีบตีบเกินไปเรียนแต่ จงทาจงทาจงทิ้งจงทำทิ้งคือ mm คือสมองเราไม่มีเาเรียกว่า innovation ไม่มีความคิดสร้างสรรค์ไม่มีคร e เ t i v แต่ a l l h Subhanahu w Taala เอาอัพแานะฮะดีส์อัพแสนะก๊อสส์ Allah t a l a ใช้คาว่าอัพแสนะก๊สสเรื่องเล่าที่ดีที่สุดพระเนเกับว่าต้องการให้สมองของเราเวลาที่เราอ่านเราพูดอ่านเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ อย่างน้อยก็ได้ความความบันเทิงที่บริสุทธิ์พวกนี้เรียกว่าความบันเทิงที่สีขาวนะไม่ใช่บันเทิงสีดําไม่ใช่บันเทิงที่เคล้าเคลด้วยอารมณ์ไม่ใช่บันเทิงมันเป็นเป็ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นศิลปะบันเทิงอย่างหนึง่งการฟังเนี่ยไม่มีใครที่ไม่ชอบฟังเรื่องเล่าเอาตั้งแต่เด็กๆ เ, เลยเล็กๆ เ, เลยลูกๆห ล, ล, ลานๆเราเราอินทานให้ฟังหน่อยมันได้จินตนาการเราก็เหมือนกัน การที topic, ่เราฟังเรื่องแบบนี้เยอะๆสมองของเราจะมีแต่ว่าไม่รู้ว่าอายุของเราในสมองมันแตกอีกไหมก็บอกว่าเด็กสมองโตที่สุดตอนอายุสองขวบตอนสองขวบเนี่ยสมองน่ยแตกแขนงสาขาของมันเร็วที่สุดเห็นไมฮะความสําคัญของการอ่านหนังสือให้ลูกฟังตั้งแต่เด็กๆแล้วพอโตคุณโตขึ้นโตขึ้นเนี่ยมันจะยิ่งมันมันขยายตัวน้อยลง สมองของคนเราเนี่ยพอยิ่งแก่มันจะยิ่งขยายตัวน้อยลงนั mm ่น hmm. แหละพวกเราก็เลยไม่ค่อยชอบฟังเรื่องเรื่องเราแล้วพอโต <laughs> เพราะว่าฟังยังไงมันก็ไม่ไม่โตแล้ว <laughs> มันนักแค่นี้นะสมองนะ <laughs> สุภาษิตอะไรแต่จะบอกว่าการฟังเรื่องแบบนี้เนี่ยทําให้สมองของเรากระปรี้กระเป๋าสดชื่นนะมีผลดีต่อการการใช้สมองด้วยให้เราได้คิดตมางอัลลอฮฺ วันนี้มาดูกันนะครับว่าไม่รู้จะเป็นตอนจบไหมนะครับไม่แน่ใจเพราะมีหลายอายัดน่าจะยังไม่จบเชิญลอดูนะครับถ้าจบได้ก็ทำดีละ่ะตั้งแต่อายัดที่ยี่สิบเอ็ดก็ได้ครับยี่สิบเอ็ดเาย้อนหลังไปนิดนึงมีเรื่องที่เกี่ยวข้อง อาบอุบิล ا ن ฮิมินั่น ص ัยตานอัล ا ل าจิมข่าน ر พูรับบีอินนามะซาอูนีวัด ตบ้าง و ่มัลล์มยิ่งดูมัลุห์ว ل ลาดุห์อิลลัชสาระวมักครูมักกรังคบบา แَะََ่นก็จะร ل ้วَ่ทَานจะไดَรับการชّ่ยเหลือَละทِ่นจะَ ا ้รับการช่วยเหลือและท่านจะไดَ้ับการ و ่วยเหลือและท่าน َ لا يوث ويعوق و, و ن ص ر ا وقَد أَظَلُوا كَثِيرًا و َะไม่เพิ่ ل َ ا, إ ل ا م ผิด ل ห้ผَ้ผิด ا ีกนอกจากความหลงผิดซึ ل งความผิดที่พวกเขาทำนั้นทำให้ فَلَمْ يَجِدُوا لَهُمْ مِن دُونِ اللَّهِ أ َ ن َ ر เอาแค่นั้นก่อนนะครับชาลอกแบกได้ไม่เหนื่อยเกินนะทีเดียวเดี๋ยวเหนื่อยอ่าย้อนหลังไปนิดหนึ่งอุกาลนูฮรบมะซุ่นแลราห์อะเราบอกว่าหลังจากที่ท่านบีนุห์ได้พยายามจนสุดความสามารถด้วยทุกวิถีทางและใช้เวลานานถึงเก้ารอย้าสิบปี สุดท้ายไม่มีไม่มีคนที่จะศรัทธาเพิ่มเติมอีกต่อไปแล้วในสุรหูดนะสุรหูดนี่อัลลอฮ์ ت ع ا บอกว่าอะไรนะว่อุฮียะอีลาโนห์อันนั้วเลนยุมินเลนยุมินะมิ่ง قوم ิคัลลามันคดอามัน เราแต่ละให้ประธานวะฮิ ย, ยุกับนุฮะเราแต่ละบอกกับนบีนุฮะหลังจากนี้ต่อไปไม่มีใครที่จะศรัทธาเจ้าอีกแล้วโดยเด็ดขาไม่มีละนอกจากไอ้ที่ศรัทธาก่อนหน้านี้คนใหม่ไม่มีละอถึงก็ถึงตรงนั้นแหละที่ท่านนาบีนุฮจึงอได้บอกว่าหมดแล้วนะอินนัฮูม่าลสูนี้วัดต์ต์บั้งมะล์มยิซิลฮูมาลูวะวอลัดูอิลลาขัซาระ นะพวกนี้เนี่ยไม่ตามชั้นในรคุณนะทรยศและยังตามบรรดาพวกที่เป็นนะแกนนำนะแกนนำที่มีทรัพสมบัติเยอะมีลูกหลานเยอะแต่ว่าทรัพสมบัติของพวกเขาลูกหลานของพวกเขาไม่ได้ช่วยอะไรเขาเลยเขาใช้ทรัพสมบัติของตัวเองลูกหลานของตัวเองในทางที่จะนำไปสู่ความหายนะของเขาเองในวันอเครัตนะครับซึ่ง คนพวกนี้เนี่ยนอกจากจะไม่ฟังท่านนาบีนุฮ์แล้วยังวางอุบายวัวมัคารุมครอนกุบบาระวางอุบายที่ใหญ่โตมากนะครับไปดูทับซีดเนี่ยเขามีการทับซีดออกมาเป็นสองลักษณะการวางอุบายตรงนี้นี่คืออะไรอะไรบ้างนะครับแบบที่หนึ่งเขาบอกว่าอินซาลุลอาซาบินุฮ์ หมายถึงทาร้ายท่านนบีนุ่มวางอุบายวางแผนที่จะทาร้ายท่านนบีนุ่มอัลลอฮิสซลามในสุระอีกสุระหนึ่งสุระพูดนะตอนที่อัลลอฮ์สุบฮานตะอลาสั่งให้ท่านนบีนุ่มทำทอะไรครับทาเรืออลลอฮ์อัลล์ตะอลาสั่งให้ท่านนบีนู่สร้างเรือท่านนบีนุ่ก็ไปสร้างเรือกลาง ทะเลทายกลางกลางป่ากลังกลงากกล ง, กลงอะ ไ, ไม่ใช่ในน้ำอะกลางบกบนบกไอ้พวกนี้เพราะมันผ่านว่าคุณละมามรอะเลห์เมเลอุนมิงก้ามฮีซัครุมินอพ า, านไปคนนุงมันบ้าหรือเปล่าวะมาทําเรือไม่เห็นมีหรอคือไม่เออคือทำศรัทธาเนี่ยมองไม่ออกว่ามันจะเป็นได้ยังไงเราสร้างเรือขนาดใหญ่อะ่ะไม่ใช่สร้างเรือที่จะ มันพวกเราสร้างเรือที่จะเอามาเป็นที่ระ ล, ลึกไม่ใช่ข้างเรือขนาดใหญ่มากแต่ละคนพอผ่านมาสงสัยมันมันเพี้ยนไปล้วะครับมันเพี้ยนแหละนุกเนี่ยซากิรูมินนะครับดูถูกเหยียดหยามท่านนาบีนุ๊กอะไรเสียแล้วนี่คืออินเซลุลเอซ่าทำร้ายท่านนาบีนุต่างๆ่านั่นนะนี่แหละที่ผมบอกว่าในเรื่องเล่าของบรรดาอิสราเอลิยะหรือเรื่องเล่าที่ไม่ได้มีในอัลกุรอานจะมีการใส่เข้าไปอีกเยอะ ใส่ผงชูรสเข้าไปให้เรื่องมันน่าฟังอ่ะสมัยเด็กๆนี่ฟังให้ดีนะสมัยเด็กๆนี่ผมเคยฟังบรรดาผู้หลักผู้ใหญ่ผู้ย่าตายาย่เคยเล่าให้ฟังว่าตอนที่ท่านนาบีนุสร้างเรือเนี่ยไอ้พวกของนบีนุกเนี่ยก็มากันใหญ่เลยมาทำอะไรมาถ่ายมาถ่ายหนักมาอุจจาระบนเรือ ไม่มันโนแล้วมันโนแล้วเจตนาก็เราก็ไม่รู้มันเป็นจริงหรือเปล่าแต่จะบอกว่าไม่รู้มาจากไหนนะครับเรื่องเล่าแบบนี้แล้วก็มีอีกคนหนึ่งเป็นคนตาบอดเคยได้ยินไหมเคยได้ยิน ม, มีคนตาบอดคนหนึ่ง ก, ก็ขึ้นมาบนเรือของนบีนโนเหมือนกันเพื่อที่จะมาอามาอุจจาระบนเรือของนบีโนเสร็จ แ, แล้วเดินไปเดินมาลื่นขมํานะหน้านี่เป็นโดนโดนอะไร โดนโดนพี่ของกูไอพวกนี้มาเออมาก่อนหน้านี้ปรากฏว่าจากตาที่บอดนี่ก็เลยหายลืมตาดูเลิกได้อีกครั้งหนึ่งทีนี้แหละมอพอคนอื่นรู้ว่าโห้เนี่ยอะไรนะ่าคนตาบอดมาแล้วก็เลยมาขูดจนไปหมดเลยมาขูดเอาอุจจาระออกไปหมด เ, เออจนกระทั่งเรือที่ตอนแรกนั้นสกรปรกกลายเป็น ลำใหม่เลยเพราะว่าโดนขูดไปหมดเลยนะเห็นไหมพอมันใสเข้าไปเนี่ยเราก็ไม่รู้เลยว่ามันมาจากไหนเาไม่รู้ว่าเอามาจากไหนนี่ใครเป็นคนเล่ามาสืบสาวต้นตองไม่ไม่เจอไปหาในอัลกุรอานก็ไม่เล่าเลยว่าไปหาในฮันดิซ่าก็ไม่ปกไม่ปรากฏก็ไม่รู้ว่าเอามาจากไหนเพราะฉะนั้นระวังให้ดีอย่างที่บอกว่าทําไมเวลาที่เราเรียนเรื่องนบีต้องเอาจากอัลกุรอานเป็นลําดับแรกเพราะกลัวแบบนี้แหละ เราเนี่ยโดยปกติเราชอบฟังเรื่องเล่าอยู่แล้วแล้วแต่ใครเล่าอะไรเราฟังไว้ก่อนแต่ถ้าเราไม่มีแมน h e d ไม่มีหลักการหลักเกณฑ์ในการรับอันนี้จะมีปัญหาแล้วแต่ใครเล่าอะไรแล้วมันจะมีเยอะมากแม้กระทั่งในโลกยุคเฟซบุ๊กเนี่ยเรารับข่าวสารโดยไม่กรองเลยม الله, อชอลโลต้นมะพร้าวออกตัวเป็นโค้งๆค้งโค้เหมือนกับนบีมุฮัมมัด โอ้เราก็แชร์แชร์แชร์ไม่รู้มาจากไหน น, น่าสงสารนะครับโดยคนที่รู้ไม่ทันบางทีมันอาจจะเป็น p ฟ o t o s h อ p ก็ได้นะแต่ว่าคนที่ไม่เคยเรียนคอมพิวเตอร์เนาะมันมันนึกภาพไม่ออกโฟโ o ้ช็อคืออะไรก็เลยแชร์ไปก่อนอา้าวคนนี้เคยเนะอักตันตอยู่กับแม่ของตัวเองก็เลยกลายเป็นเป็นอะไรนะฮะกลายเป็นกลายเป็นมีหาง อ้าวแทก็แชร์กันไปไม่รู้อ๋ออัองฺพระกษัร์ไม่รู้จะบอกยังไงอันเนี้ยนี่มันไม่ใช่เรื่องโบราณนะไม่ใช่เรื่องโบราณอันนี้เป็นเรื่องปัจจุบันนี่เลยเราน่าเป็นห่วงมากเลยส่วนยายแล้วคนที่แชร์ก็คือมุสลิมไอ้คนที่ชอบคือทําไม่ใช่เนี่ยเรามีหลักเกณฑ์ตรงไหนที่เราจะรับเรื่องจริงหรือเรื่องไม่จริงเราต้องระวังที่บอกว่าต้องฟังจากอัลกุรอานบอกไม่เรื่องแบบนี้ไม่มีไม่มีก็อย่าไปเชื่อ อะดิสบอกไม่ไม่มีถ้ามันมีต้นต่อถึงท่านนาบีสุลตรอสสลัมโอเคได้ต้องถึงสัฮาบะหรือไม่ก็ถึงท่านนาบีแค่นั้นเองแม้กระทั่งสัฮาบะเองก็ต้องดูด้วยนี่เขาเรียนเขาเรียนขนาดนี้นะในอิสลามวิชาว่าด้วยการสืบสายรายงานจะเป็นเอกลักษณ์ไม่มีที่อื่นนี่แหละทําไมที่ว่าเรากล้าที่จะพิสูจน์รับประกันว่าอัลกุรอานเนี่ยมีสายรายงาน ถึงท่า น, นาบีบดุล ล, ลอฮ์ของเราเองนะครับแม้กระทั่งสัฮาบะเองก็ต้องดูสัฮาบะตรงนี้นะครับบางคนสัฮาบะบางคนเนี่ยเป็นสัฮาบะที่ชอบคลุกคลีกับบรรดาพวกอิสราเอลก็คืออาจจะไปชอบไปฟังหรือชอบอะไรก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นอุลามะบางคนก็เลยบอกว่าถ้าสมมุติมาจากสัฮาบะคนนี้คนนี้คน น, ค น, นี้ให้เช็คให้ดีก่อนเผื่อว่ามันจะเป็นอิสราออลยียะ นะอาจจะเป็นเรื่องเล่าจากบันทึอิสราเอลที่สาบักคนนี้ไปฟังมาแล้วก็มาเล่า like ต really, ่อโดยที่ไม่ได้บอกว่ามันเป็นอิสรอเอลเลยเขาต้องเรียนถึงขนาดนั้นะวิชานี้ยเขาเรียกว่าวิชามุสลัพนะมุสลัพอัลฮะดีษมุสลัมมีระเลี่ยตีเรียนเหมือนกับวิศวะเลยถ้าจะพูดเหนักมากเราต้องท่องเยอะมากต้องรู้จักน่ารู้จักคนนี้เป็นลูกของใคร มีโต๊ะครูกี่คนมีลูกสิบกี่คนเกิดปีไหนตายปีไหนมาจากน่นมาจากาต้องรู้หมดต้องรู้หมดนะครับแต่ละคนมีแนวทางในการสืบสาวสายงานมาอย่างไรนะผมพูดเรื่องนี้เพื่อป้องกันพวกเราไว้นิดนึงนะไม่อยากให้พวกเราในโลกเฟซบุ๊กเราชอบแชร์กันแชร์ได้แต่ต้องชัวร์ไม่ชัวร์อย่าแชร์นะเช็คชัวร์แชร์ สมขั้นตอนนะอย่าอย่าแชร์เลยโดยไม่มีขั้นตอนสองขั้นตอนแรกต้องให้มีสามชอช้างเช็คชัวร์แชร์มึงจะแชร์ได้นะครับนี่คือการที่นะเอ่อมัค า, า, ารุมักกรนกบาระวางอุบายในการทำร้ายนบีนูอัลัยสลาฟความหมายที่หนึ่งความหมายที่สองเขาบอกว่ามัคารุมักกรนกบาระวางอุบายตรงนี้ก็คือ วางอุบายที่จะไปหลอกบรรดาคนที่อยู่ประชาชนทั่วๆไปนะครับด้วยการสกัดกัน้นไม่ให้คนเหล่านี้ศรัทธาต่อท่านนาบีนุและยุยงไม่ใช่เพียงแค่สกัดกั้นนะไม่ให้ผู้ศรัทธายุยงยุยงให้จมปลักอยู่กับการชีริกเนะี่ยอายะต่อไป มาถึท่านนาบีนะวะว่า وقالوا لا ดันว um ٌ نودن وقالوا لا تجارٌ آل هتكم คนเหลา่านี้ใครคนเหล่านี้บรรดาคนที่เป็นพวกไอโซทั้งหลายเนี่ยบรรดาคนที่เป็นหัวโจกทั้งหลายในสังคมของนบีนุ่สมัยนั้นเนี่ยกล่าวแก่บรรดาประชาชนคนทั่วๆไปว่าละ ت ج ا ر น نآل هتكم อย่าละทิ้งพระเจ้าทั้งหลายของพวกเจ้าให้หยุดให้ให้ให้ให ยังไงก็คือไม่ได้อวะลาตซรุนนวดันอาิฮัตโกมก็คือทั่วไปแล้วแต่มีกี่รูปมีกี่องค์มีกี่อะไรก็ไปโดยเฉพาะนะเจาะจงอีกห้าอีกห้าอีกห้าพระเจ้านะครับอีกห้ารูปปั้นก็คือหนึ่งวัดสองสวอันนี้เป็นชื่อนะวัดเนี่ยเป็นชื่อสวัว ยากรุษยากุนนานสรนะึงละที่เราบอกว่าเราจะเล่าให้ฟังว่ามันคืออะไรนะเรื่องของรูปปัน้นทั้งบททั้งห้านี่นะครับลกศีษเองนะครับก็ได้ระบุเอาไว้ เป็นงานที่มีปรากฏในทัซีดของยุมนะกซีดเองว่าทั้งห้าตัวเนี่ยอัสมาอัสมาฮอัลลกาุยะบดูนะฮามินดูนิลละเป็นชื่อของรูปปั้นที่พวกเขาเหล่านี้เขารบสักการะชิริกต่ออัลลสุบะอลอมิรงะเนบุคารีนะครับจากอิบนอับบสบอกว่าซร์ติเอุสานอัลลัตกาตฟีมินู ในอัลอา บ, บิบั๊กดู سبحان الله ปีน้องลองคิดดูระหว่างนาบีนูห์กับนบีมุฮัมมัดน่าจะประมาณกี่พันปีุลามาก็มีการคำนวณ๋ย่ผมมจําไม่ได้ว่าเท่าไหร่แต่มันไม่ใช่แค่พันหรือสองพันปีแน่นอนถ้าเราบอกว่าระหว่างนาบีนูห์กับนบีมุฮัมมัดหนึ่งร้อยปีเนี่ยเรายังพอไหวนะ อิมร uh ์อับบาสบอกว่าห้าตัวที่เคยอยู่ในสมัยนบีโนที่เขาเคยเคารพสักการะในสมัยนบีโนกลายมาเป็นรูปปั้นที่มีการเคารพสักกิระในสมัยของท่านนบีมูฮัมหมัดด้วยอัลลอฮฺบอกคนเวลามันจะหลงทางอ่โบราณครึแค่ไหนนี่มันก็มันสาวไปถึง แล้วน บ, บีนุ่นี่อยู่ตรงไหนก็ไม่รู้อยู่ส่วนไหนของโลกนนอัลลอฮฺละลัมในด้านภูมิศาสตร์มันก็น่าจะคนละที่กันในด้านประวัติศาสตร์อยู่คนละสตวัดกันเลยอยู่กันคนละสหัสวัรษกันเลยแต่โรคนี้มันแพร่มาจนถึงยุค ข, ของท่านนาบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮฺุสซลลัมจนได้ ไม่ใช่เรื่องเล็กเลยอันนี้แหละที่ว่ามันทำไมนะครับที่นบีบรหีมถึงกับขอดุอาให้ลูกหลานของท่านเนี่ยปลอดภัยจากอัสนานรูปปันนะมาดูนะอัมมาวัดนะอิมรุอับบาสบอกว่าวัดเนี่ยกลายมาเป็นรูปปั้นประจัมพาวดานิคลบบิดาวมาทิลจนดุแต่ละเผ่าก็จะมี ของตัวเองนะก็จะมีเาเรียกว่าองศกการะของตัวเองวัดกลายมาเป็นของบานีลบวคนัทรซนะที่ช vale> ื่อสวกลายเป็นของเผาฮซยบนีกาฟยเป็นของกฟยุเป็นของฮามดันวานัสไมลนัสเป็นของหไมแต่ละเผาก็จะมี เขราประจํเมือง้าประจํเมืองประจํเผาเวลามีเรื่องอะไรก็ไปหาพระเจ้าประจเํเผะะาเ้าอุ้มรุบิล่ะมิได้วะฮีย์ أ س ا ء رجال صالحين จริงๆแล้วชื่อทั้งห้าชื่อนี้เจ้าของชื่อจริงๆเนี่ยเป็นคนซ้อหละเป็นคนดีนี่เป็นเรื่องราวที่มันสํารอยในอดีตมาจนกระทั่งทุกวันนี้ เขาบูชาทำไมไอ้เกิดการบูชานี่เขาบูชาทำไมบูชาเพราะาเขาเนี่ยเป็นคนดีเป็นคนมีบุญเป็นคนมีบารมีทึกทักเอาว่าคนเนี่ยเป็นคนที่มีบารมีก็เลยบูชาเรื่องนี้เกิดขึ้นตั้งแต่สมัยนูน้นลหละแล้วเ็าบอกว่าอ่าดูนั่นเาบอกว่า رجال صالح ี من ق ม, มินู้ถ้าคนเนี่ยเป็นคน เป็นโะครูะว่าง่ายๆ้ะเป็นโตครูนะเป็นอลเลมนะเป็นคนเป็นคนที่นะมีคนธรรมในสมัยของท่านอนับดุลเลาะห์พอตายไปพขาเสียชีวิตไปทั้งห้าคนที่เสียชีวิตไปเนี่ยชาวบ้านก็ น, นึกโอ้นึกถึงโตนั้นเว้ยนึกถึงโตนี้เว้ย เราไม่มีแล้วไงเสียชีวิตไปแล้วก็เลยนึกได้ชัยตอนก็เลยได้โอกาสทำยังไงมาบอกว่าอ๋อคิดถึงใช่ไหมสมัยก่อนมันไม่มีกล้องถ่ายรูปอะถ้าคิดถึงก็ลองปั้นให้มันเป็นตัวแทนตอนแรกๆเนี่ยปั้นตั้งเอาไวเ้เฉยๆไม่ได้ทำอะไรนะสมมติเคยนั่งอยู่ตรงนี้ประจำสมมติอ่ะคิดถึงอาจารย์ยังเลว แล้วอเหลอรูปอาจารย์นะครับตั้งเอาไว้ตรงนี้ผ่านไปผ่านมานจะได้นึกถึงหนเป็นได็กเนี่ยก็ะมีแบบนี้เลยอตอ น, นแรกตั้งเอาไว้เอาไว้ระลึกโมเมนต์โมว่าอะไรนะเมโมรี่ทำให้เป็นที่ระลึกแค่นั้นเองแรกๆพอผ่านผ่านไปยุคหนึ่งแต่ตอนก็เรื่องมาอีกพอรุ่นพ่อตายไปแล้วรุ่นปู่ตายไปแล้ว ใช่ตอนก็มาบอกว่าเนี่ยสมก่อเนี่ยเวลาที่มีความเดือดร้อนมีความลําบากอะไรเนี่ยบางรรพบุรุษของพวกเจ้าเนี่ยก็จะมาหารูปตัวแทนพวกนี้เพื่อให้มันมาอะไรฮะมาช่วยบรรเทาทุกข์ได้เรื่องเลยทีนี้ <laughs> ได้เรื่องเลยเริ่มมาแล้วเริ่มละเขามีเรื่องเดือดร้อนสักนิดนึงก็เข้ามา โอ้โตช่วยฉันหน่อยช่วยลูกช้างหน่อยช่วยลูกหมาหน่อยช่วยลูกหมีหน่อยอะไรก็ว่าไปเอาสุเป็นแห ล, ลมันไล้คนอาหรับก็เหมือนกันนะคนอาหรับตั้งแต่ยุคท่านน บ, บีมหามะฮ์เวลาที่เขามีเรื่องอะไรเนี่ยเขาจะเอารูปปั้นของตัวเองเนี่ยแห่ย่าอัลลอฮ์ทำไมมันเหมือนกันอย่างนี้ <laughs> นนเอละที่เราจะเอามาตั้งแต่ท่านน บ, บีนู่นน บ, บีอิบรอฮิมนบีม د, ุฮัมมัดแล้วก็ยุคที่ไม่มีน บ, บีอย่างยุคราเนี่ย มันภาพเดียวกันเลยภาพเดียวกันหมดเลยวิธีปฏิบัติต่อรูปสักการะของอนนลนี่แหละครับอ่ะ و ق ล أ ض อّ لقد แ่อไปที่เมนูว่ายังไงนะ و ق อ أضلّ ค ث ี่รอพวกเขาเหล่านี้ทำให้คนหลงทางอย่างมาก ใครเอพวกเขาเหล่านี้ออกมาเป็นสองหนึ่งทัฟซีดออกมาเป็นสองหนึ่งเขาบอกว่าพวกเขาเหล่านี้ก็คือไอพวกบรรดาวีไอพีในในพรรคพวกของนบีนาะในในพวกของนบีเนกะนี่แหละทําให้คนหลงทางแต่บางตัฟซีดบอกว่าสิ่งที่ทําให้หลงทางก็คืออสนา้ารูปปั้นเนี่ยทําให้คนหลงทางแต่สรุปแล้วทั้งสองพวกนี้ทําคนหลงทางหมดเลยยังไงนะไอ พวกที tenía, ่ที่มันเป็นหัวระดับหัวโจรเนี่ยทำให้คนหลงทางยังไงในวันครรัตวันอาครัตเนี่ยตอนที่อัลลอฮฺสวาบตะละจะรูบขวงบรรดาคนที่ต้องเข้านรกเนี่ยมันจะมีคาพูดของคนตาม์ที่อัลลอฮฺตะละว่าถ้า إذا داركوا فيها جميعاً قالت أ خ ر ه م ل أ ل ا ه م قالت أ خ ر ه م ل أ ل ا ه م รับบนาฮาอุไลอ้อนลูนาะสุรัตุลอา raf ขนะที่สามสิบแปดใครที่จะย้อนกลับไปกลับไปดูเรื่องเราเนะี่ยเพราะมันเป็นเรื่องที่อลตบบางทีพอเราไม่เคยฟังเรื่องแบบนี้เราทามันรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องเล็กการมีอยู่ของชิริกในสังคม เราดูจนชินตาเรานึกว่ามันเป็นเรื่องเล็กแต่จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องที่ทำให้คนหลงทางมากมายเลยอนะในวันอะเครัตเนี่ยตอนที่อัลลอฮฺทรงตลาจรวบรวมมันดาจินและก็มนุษย์เข้าในนรกเนี่ยอูบิลลาหิมันไะดิกลาลถ่อครอฮอุครอฮมก็คือคนที่มาภายหลังลิอูเลหมนะพูดกับบรรดาบรรพบุรุษของตัวเองว่ารบบนาฮอลอัด ظلون คนเหล่านี้ทาให้เราหลงทางตามคนตามโทษกันลูกหลานโทษปู่ย่าตายายที่ทาให้ตัวเองหลงทางทาให้ตัวเองต้องเคารพสิ่งอื่นนอกจาก ح ح าาอัลลอฮฺสุบฮานาวะตะอัลลเมเพราะฉะนั้น azzaloohum azzaloo و قد azzaloo كثيرا หมายถึงคนที่มีมีตาแหน่งคนที่มีเกียรติในสังคมคนที่คอย สั่งให้บรรดาประชาชนเนี่ยปฏิเสธอัลลอฮ์สุลตานาอัตตะอัลลอันเนี้ยคือความหมายที่หนึ่งความหมายที่สองรูปปั้นเองนี่แหละที่ทําให้มนุษย์เองหลงทางเหมือนกับดวงของท่านนบีอิบรอฮิมอะลัยฮุสสลามนะนบีอิบราฮิมอะลัยฮุสสลามในสุร์อิบรอฮิมเลยนะครับที่ท่านนบีอิบราฮิมตอนที่ท่านอิบราฮิมสร้างกะบะเสร็จเษีิบราหยนะครับขอดูอานะขอดูอาให้กับ น้าทอิบรา ا ิมรับบดะะอยาอลอาให้มัคกะเป็นดินแดนแห่งความปลอดภัยว่าจุดีว่าบานยะอันนับุดอัลสนามขอทรงทาให้ฉันและลูกหลานของฉันเนี่ยห่างไกลจากการเคารพรูปปั้นเป็นดูออของนบีอิบราฮมอะลัยฮิสลา ยาลอนี่ดูอาของนบีทําไมนบีอิบรอฮิมต้องต้องขอดูอาแบบนี้ีน้องลองคิดดูเราเคยขอไม่ดูอาแบบนี้หรือเราคิดว่ามันเป็นเรื่องห่างไกลเราเป็นมุสลิมอยู่แล้วคงไม่กลาบไหวระวังให้ดีนบีอิบราฮิมเนี่ยเข็ดมากกับเรื่องของอัสนามเข็ดยังไงหนึ่งบิดาของตัวเองเป็นเจ้าของ โรงงานผลิตรูปปันแล้วท่นานนบีอิบราฮีมเนี่ยนกลุ่มชนของท่านทำร้ายเพราะอะไรเพราะรูปปันเพราะฉะนั้นดูอาของท่นานนบีอิบราฮิมเนี่ย سبحان อัลลอฮ์ ح ح الله, นี่เราไม่คาดคิดแล้วพี่้องลองคิดดูในขณะท่นานนบีอิบราฮิมขอดูอาสักัดเอาไว้แล้วนะ อิบราฮิมขอดูอาสั ก, กัดจากอัลลอฮฺประทานตอนที่ทํากะบาเสร็จเนี่ยเหมือนกับขอดูอาสั ก, กัดขอดูอาจากอัลลอฮฺประทานให้สั ก, กัดไม่ให้รูปปั้นเข้ามาในคาบสมบุดอาหรับแต่ผลปรากฏว่าเป็นยังไงมันเข้ามาอยู่รอบกะบาได้ถึงสามยหสบรูปได้ยังไง ่เราสิ่งที่เราคิดวันเป็นเรื่องเล็กแต่ท่านนาบอิบรออีนไม่ใช่ไม่คิดว่ามันเป็นเรื่องเล็กพี่น้องครับทุกวันนี้ถ้าเราไม่สอนลูกหลานเราเรื่องแบบนี้เนี่ยบางทีไม่รู้สิผมมีความรู้สึกกลัวเพราะได้ยินมาบางชุมชนบางหมู่บ้านที่เคยเป็นหมู่บ้าน น, Allah, นับถืออัลลอฮ์นับถืออิสลาม ปัจจุบันนี้ลูกหลานชาวมุสลิมในหมู่บ้านบ้างหมู่บ้านในประเทศไทยในประเทศเรานี่เลยไม่รู้จักแล้วน้่น ม, มีมีอะไรก็ได้อะไรก็ได้อะไรนะศาลมีมีแหละในบ้านมีอัลลอฮ์มุฮัมมัดในบ้านมีมีศาล เราอย่าคิดว่าเราเป็นมุสลิมแต่ลูกหลานของเราเรายังไม่รู้นะดูท่านนบี บ, บรอฮีขอดูอาให้กับตัวเองว่าบนนี่แลวก็ลูกหลานของตัวเองให้พ้นจากการเคารพสิ่งที่เป็นชีริกอัลลอฮ์สุบฮารังต่างๆเพราะว่าสิ่งพวกนี้มันไม่มีชีวิตก็จริงแต่มันทำให้คนหลงทางอัอุบิลละฮมินเลอินนฺฮุนเนะดลลซีรันมินนส ว่า อ, อดลลอแค่สรานี่คือความหมายแล้วก็น่ากลัวมาบความหมายนี้นะครับการที่คนที่มีอำนาจในสังคมเป็นตัวการทำคนนั้นห่างไกลจากอิสลามระวังให้ดีออกไปถ้าใครเป็นคนที่มีอำนาจใครเป็นคนใครเป็นผู้นำใครที่มีหน้าที่รับผิดชอบ ประชาชนหลายๆคนเนี่ยระวังเราอย่าเป็นต้นเหตุทําให้คนอื่นไม่สามารถที่จะเข้าถึงอิสลามไม่สามารถที่จะเข้าถึงสัจธรรมเพราะเป็นต้นเหตุเราต้องระวังชีริกต่างๆชีริกต่างๆในยุคเนี่ยสิ่งที่ผมบอกว่ามันน่าแปลกก็คือว่าโลกยุคนี้เนี่ยเป็นโลกอินเทอร์เน็ตเป็นโลกยุคเทคโนโลยีเป็นโลกที่มันจเจริญ ทุกสิบเดือนจะมีการแน่ทุก8ดเดือนทุกสิบแปเดือนที่จะมีการเขาเรียกว่าคอมพิวเตอร์ที่จะมีการทุกแปเดือนหรือเปล่านะทุกแปเดือนที่คอมพิวเตอร์จะมีการเขาเรียกว่าของใหม่มันจะอัปเดตตัวเองอะทุกแปเดือนนอะลองคิดดูแล้วระยะเวลาของการอัปเกรดเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์เนี่ยมันจะยิ่งสั้นลงออกไปในอนาคต แต่เรายังเห็นชิริกในโลกยุคนี้ชิริกให้เถกด้วยชิริกให้เถกยังไงวันนี้ดวงของคุณจะเป็นอย่างไรกฎดอกจันเก้์ศูนยมีแอปพลิเคชันด้วยนะแอปพลิเคชันดวงดวงแอปพลิเคชันต่างๆนานามากมายแล้วไม่ใช่เฉพาะประเทศนี้นะครับ ประเทศอย่างอเมริกาเนี่ยไปดูเลยมีหมอดูมีแม่มดมีพ่อมดไม่รู้จังเท่าไหร่มีบางลัทธิเนี่ยโดยเฉพาะไอละ้ลัทธิหรือว่าลัลทธิอะไรนะอะไรอนะ่ะอะไรอนะ่ะที่ดูดเลือด อ, ะอ่ะอ้แวมพายแวมพายแวมพายมีข่าวที่ออกมาบอกว่ามีคนบางกลุ่ม คิดว่าตัวเองแวมพายจริงๆก็ใช้ชีวิตเหมือนแวมพายใช่ไหมละ่ะมีคือโลกที่คนสามารถจะไปถึงดวงดวงจันทร์ได้แล้วหรือออกไปนอกอวกาศแล้วแต่มันยังมีเรื่องพวกนี้ไป้องลองคิดดูเพราะฉะนั้นอย่าคิดว่าเรื่องพวกนี้มันจะไม่เกิดอย่าคิดมันเป็นเรื่องไกลตัวอันเนี้ยสําคัญมากไม่ต้องไปอเมริกาเอา้าลูกหลานเราตอนนี้เคยพูดหรืยอยังที่บอกว่าวันเสาร์อาทิตย์ะ แล้วลูกหลานเอาดูดูเรื่องอะไรครับเสาร์อาทิตย์มันยังมีอีกฮะเช้าๆแปดโมงเช้าอะช่องเจ็ดสีทีวีเพื่อคุณฮะเดี๋ยนี่อะไรเอาอยากจะหายตัวปุ๊ปุ๊มันจะพิงหายตัวเอาแปลงเป็นนกเอาแปลงเป็นนกเอาแปลงเป็นะลูกเราคิดว่ามันเป็นเรื่องจริงใช่ไหมเด็กมันไม่รู้อะไร เราถูกนี่แหละที่ทําให้เราเนี่ยกลายมาติดติดเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าตอนเด็กตอนเด็กเด็กเราดูของพวกนี้เยอะเกินพอเรามาเรียนเรื่องแบบนี้เนี่ยบางทีมันก็ยังมีอยู่นียังไงพอเดินขาพอเดินผ่านต้นไมใ้ใหญ่ๆหน่อยว้สันหลักสันหลักเย็นขึ้นมา ท, ทันทีเลย ท, ทั้งทัทีรู้มันไม่มีอะไรแล้วมันเย็นขึ้นมาโดยอัตโนมัติมันเป็นไปได้ น่ากลัวไหมเนี่ยบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องไกลตัวเรื่องชีริกไม่ใช่เรื่องไกลตัวเป็นเรื่องใกล้ตัวม า, มากๆอัลลอฮฺอัลลอฮฺบัดไหนแล้วเกิดอันเนี้ยช่องเจ็ดสียังมีช่องอ่าช่องนายอินเตอร์เทนก็ยังมีนายนายอะไรนะช่องเกา้ากระตูนเนี่เราก็พูดจะทํางานคนที่เป็นพ่อแม่นหนักมากกับเรื่องแบบนี้นะอะไรนะปโปเกม่ <laughs> อ่ามีายอะไงนะครับ มีสัตว์ประหลาดมีตาเดียวมีเอ่อเยอะไปหมดเลยแล้วมันกลายกลายเป็นต้านไม่ไหวมันเนี่ยที่บอกว่าเป็นชีริกไฮเทคต้องระวังมากๆต้องให้ความรู้กับลูกหลานเราให้มากมาไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยดอลลูคีราิสุดท้ายท่านนบ <cop han> ีน ก็ขอดุอาจากอัลลอฮฺสัมบอตแล้วว่าพระองค์อย่าได้ส่งเพิ่มให้กับบรรดาคนที่จอเลมพวกนี้นอกจากเพิ่มความหลงทางเข้าไปเถิดวันนี้ผมถามน้องๆว่าทำไมคนที่เป็นนบีจึงขอดุอาให้เกิดความหลงทางกับประชาชาติของตัวเองขอได้หรอสมมติเราเป็นโต๊ะครูอย่างเงี้ยเราเจอคนที่เราดะว่าคนนึงแล้วมัน ขอให้มึงหลงทางอย่างนี้เราขอได้ไหมครับอ่าถามมันสมควรไหมที่คนคนเป็นนัก ด, ดาีจะขอให้คนอื่นหลงทางดาีรอซูลนบีคนที่ทำหน้าที่ในการด่าวะเนี่ยมาเพื่ออะไรมาเพื่อชี้ทางให้กับคนอื่นแล้วทำไมท่านนบีนูกจึงขอให้ประชาชนของตัวเองหลงทางอายนนี้อ่าน่าสนไหมทำไมอ่ะ มีความรู้สึกอะไรมีบริบทอะไรทําไมท่านนบีท่าน น, า บ, า น, นาบีนุ่จึงต้องขอดวงอาอย่างนี้นะอิลลัฮิอัลลอฮ์คำตอบของมันก็คือเพราะอะไรครับเพราะอัลลอฮ์ตะลาบอกเสร็จแล้วมันจบแล้วไงอัลลว่าปิดดีลละปิดโครงการละอัลลอฮ์ตะลาบอกแล้วว่าหลังจากนี้ไม่มีใครที่ศรัทธาอีกแล้วนบีนุ่นบีนุ่ก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้น ถ้าไม่มีใครศรัทธาอีกต่อไปแล้วเพราะฉะนั้นขอพระองค์ทรงทำให้คนพวกนี้หลงให้สุดๆไปเลยเพราะเวลาที่อัลอลอฮฺจะลงโทษคนที่ขอดูอาหรือคนที่เป็นนบีจะได้ไม่ต้องเป็นถ้าสมมุติอัลอลอฮจะลงโทษประชาชาติของท่านนบีนุ์ในขณะที่ท่านนบีนุกยังไม่แน่ใจว่าอาจจะมีคนสองคนที่ ยังอยากจะรับ إ ي م านอยู่หรือเปล่าสบายใจไหมคนเป็นนบีก็ไม่สบายใจไงกลัวตัวเองจะทําทําผิดเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าอัลลอลาจะลงโทษประชาชาติของท่านเพราะฉะนั้นอัลลอลาก็ให้พวกนี้มันหลงทางไปสุดๆไปเลยฉันจะได้ไม่ต้องกังวลว่าอัลลอลาลงโทษผิดคนหรือยังมีคนที่ต้องการศรัทธาอยู่กับกับฉันอยู่อีกอันนี้เป็นเหตุมา นั่นแหละในส ah uh, oh, uh si ุรูด Allah تعالى บอกว่าฟะลาตบเตイスบีมาคานูย์ฟะลาตบเตイスหมายถึงว่าโอ้นบีนูเอ๋ยเจ้าจงอย่าเสียใจอย่ากังวลใจกับสิ่งที่พวกเขาทำอีกต่อไปเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นบางทีพอเรารู้แล้วว่า Allah تعالى จะลงโทษคนพวกนี้เพราะฉะนั้นให้สุดไปเลย ไอพวกนี้มันลงทางโมกับการรับโทษจาก ล, ลอสวาวตลาจริงๆไม่ใช่ว่ามีคนสองคนถึงขนานเห็นไหมถึงกระนั้นนบีนูเอ๋อเนี่หลังจากที่อลาาอสวาต阿拉ลงโทษมาแล้วเนี่ยยังมีอีกความรู้สึกเมตตาอยู่ในหัวใจของทาง่านโดยเฉพาะกับลูกชายตัวเองกับลูกชายตัวเองตอนที่เห็นลูกชายตัวเองกําลังจะจมน้ําเนี่ยทนไม่ไหวเนี่ยคนเป็นพ่อทนไม่ไหวรู้ชัดๆว่าลูกของตัวเองเนี่ย ไม่ศรัทธาต่อ Allah จะต้องตายในสภาพกูฟเฟรแต่คนเป็นพ่อทําอะไรไม่ได้ใจมันห้ามไม่ได้ขอดูอากรับ Allah ว่า Ya Rabbi Inna Inna Bni Min Ahli y um um er, ล Allah อะไรให้กับบุตรชายของฉันด้วยเถิดเขาเป็นลูกฉันนะ Allah Alam Nabi นุ่งรองนั้นเลย Innu l มิ m i n Ahli ลูกของเจ้า ah um um ไม่ใช่ครอบครัวของเจ้าเพราะไม่ศรัทธาต่อ อ่า Allah سبحانه وتعالى น, นี่คือเหตุผลที่ว่าทําไมนะครับวะ a l l a ุจ่อัลลอฮ์นะที่ท่านนบีนุฮฺอะลัยซัมต้องขอดุอาอย่างนี้เพื่อไม่ให้ตัวเองนั้นมีความรู้สึกกังวลและไม่สบายใจเวลาที่เห็นประชาชาติของท่านต้องถูกลงโทษ จ, <ม>จาก Allah ุจ่ า, า, าอลัลลอฮ์แต่ถ้ารู้ชัดว่าคนที่ถูกลงโทษเนี่ยเป็นคนที่หลงทางแน่นอนแล้วปฏิเสธแน่นอนแล้วก็ไม่มีอะไรต้องเป็นห่วงอีกต่อไปนะครับวะ a ล l a h ุจ่าอัลล La la, insya Allah. Nah, awak ni l k a h Sabda na, cub la. Bismillah, Subhana Wallahu Taala Alaihi Wasallam. Subhana Rabbi Karibil Azzam, Maesifun, Wassalamu Alaussalim. Wa ala Hamdu Lillah.